ธรรมะเป็นของกลางนะเป็นของโลกเราพระพุทธเจ้าคนพบมาเอามาบอกพวกเราด้วยความเมตตาสงสารอยากให้เราพ้นทุกข์ตามท่านไปด้วยนะอยู่ที่เราธรรมะนี่ท่านแจกก็ท่านมีชื่อชื่อหนึ่งนะว่าพระคาวะโตผู้จําแนกแจกธรรมท่านแจกท่านไม่ได้เอามาขายนะเอามาแจกคนไหนสมควรรับนะเขาก็รับไป คนไหนไม่เห็นคุณค่าเขาก็ไม่รับนะคนที่จะรับธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆมีไม่มากอะวนส่วนใหญ่เขาไม่ได้สนใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเขาต้องการมีชีวิตอยู่กับโลกไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะมีความสุขสบายสบายไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็พอใจแล้วนะคนจำนวนน้อยน้ะที่มีความรู้สึกว่า มีชีวิตอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งมีความสุขไปวันหนึ่งวันหนึ่งเนียยังไม่ปลอดภัยข้างหน้ามันมีความทุกข์อันยิ่งใหญ่รออยู่อีกมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความพลัดพรากจากสิ่งที่รักมีการที่ต้องเจอของที่ไม่รักไม่ชอบใจมีความไม่สมหวังมีความเศร้าโศกร่ำไรรำพันมีความไม่สบายกายความไม่สบายใจ มีความคับแค้นใจนะเสียอกเสียใจขับแค้นสิ่งเหล่านี้รออยู่ข้างหน้าตลอดเวลานะผ่านอันหนึ่งไปแล้วก็มีอันหนึ่งมารออยู่ซ้ำแล้วซ้าเล่าอยู่ยนันเองคนที่ไม่มีสติมีปัญญานะแค่ผ่านปัญหาผ่านทุกไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็พอใจแล้วนะวันข้างหน้าก็สู้เอาใหม่นะคนที่มีสติปัญญาก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยจริงหรอกอยู่กับโลกอย่างนี้ เดินตามธรรมะที่ท่านสอนนะถึงจะเข้าถึงที่ปลอดภัยจริงๆมีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านะั้นถึงจะเป็นที่พึ่งอันกเกษมเคยใ ค, ใครรู้จักคำว่ากเมมกษมบ้างเกษมแปลว่าอะไรกะเกษมแปลว่าปลอดภยัยที่พึ่งอันกเกษมที่พึ่งอันปลอดภัยนะก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละท่านสอนบอกว่าคนส่วนใหญ่นะวิ่งเลาะอยู่ริมฝั่ง มีความทุกข์ก็เที่ยวหาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยเช่นไปไหว้ต้นไม้ไหว้ภูเขาไหว้พระเจดีย์นะไหว้นน้นไหว้นี้ไปนะหาที่พึ่งหรือไหว้เทวดาอะไรเงี้ยท่านว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมนะอาจจะช่วยได้ได้กำลังใจช่วยได้ชั่วครั้งชั่วคราวแก้ปัญหาได้เป็นคราวๆนะแต่ที่พึ่งที่ปลอดภัยก็มีแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น ถึงจะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงของเราได้แต่ก่อนหลวงพ่อภาวนามไม่เป็นนะหลวงพ่อก็รู้สึกเสียใจทำไมเราไม่ทันพระพุทธเจ้าความจริงอาจจะทันนะแต่สมัยนั้นยังโง่อยู่ไม่ได้ดิบได้ดีนะคนอื่นก็อาจจะนิพพานไปแล้วเราไม่นิพพานเพราะเราอยัางอินทรีย์อ่อนเจอท่านเราก็ยังไม่รู้เรื่องอนะไรเงี้ยนึกเสียดายว่าท่านนิพพานไปแล้ว เวลาสวดพุทธัทงสระนังคัจฉามินะใจหายเลยเราไม่มีแล้วนี่ที่พึ่งอันนี้ไม่มีแล้วทำมังสระนังคัจฉามิเขวาดภาพไม่ออกเลยพระธรรมอยู่ที่ไหนพระธรรมอยู่ในตู้พระไตรปิฎกจะเอามาเป็นที่พึ่งได้ยังไงตัวพระธรรมเองยังต้องพึ่งเราเลยนะให้เขคอยดูให้นะไม่ให้มดปลวกมาขึ้นอนะ่ะถ้าเราไม่ดูแลนะเดี๋ยวมดก็ปลวกมากินพระธรรมไปหมดเองนะเนี่ยจะมาเป็น ท, ที่พึ่งของเราได้ยังไง พระสงฆนะ์เราจะเป็นที่พึ่งของเราได้ยังไงนะเห็นต้องมาพึ่งเราด้วยซ้ําไปนะเราต้องเอาข้าวไปใส่บาตรให้ฉันด้วยซ้ําไปถึงหน้าพรรษานี่นะอเอาเทียนไปถวายนะเอาผ้าไปถวายนะเยพระสงฆ์พึ่งเราหนะ้าเนี่ยพระพุทธท่านก็ไม่มีแล้วพระธรรมก็อยู่ในตู้พระสงฆ์ทั้งพระธรรมพระสงฆ์ก็พึ่งเราทั้งนั้นเลยเราไม่มีที่พึ่งซะแล้วนะรู้สึกหดหูนะหดหู ศา ส, สนาอื่นเขายังมีพระเจ้าเป็นที่พึ่งนะของเราไม่เห็นมีเลยนะเนี่ยต่อเมื่อมาภาวนานะภาวนาเรารู้จักธรรมะที่แท้จริงรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระธรรมเป็นยังไงพระสงฆ์เป็นยังไงเราไม่ว่าเวกต่อไปแล้ะเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะมีทุกข์ขึ้นมาเนี่ยพ่อแม่ดูแลนะไม่ใช่ไม่ดูแลนะ เรามีที่พึ่งที่ปลอดภัยจริงๆฝากเป็นฝากตายได้จริงๆนะขอให้ใจเรามีธรรมะเธอเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงอยู่ที่ไหนนะพระพุทธเจ้าพระองค์จริงไม่ได้นอนอยู่ในเจดีย์นะเป็นพระท ông พระาธาตุอย่างเดียวนะพูดถึงพระาธานตะุนยุคนี้พระาธาตุเยอะนะแ ย, ะแยะ่เลยบางคนนะคิดไม่ดีหลวงพ่อเองแนหะเคยคิดไม่ดี สมัยก่อนนะไปเห็นบางที่นะมีพระาธาตุเยอะเลยเราต้องคิดนะพระพุทธเจ้าต้องตัวใหญ่มากเลยต้องพระองค์ใหญ่ขนาดพระนอนวัดโพเป็นอย่างน้อยนะพระาธาตุถึงที่เยอะขนาดนีนะ้นั่นความไม่เลี่ยงสาอย่างเด็กอยู่นะพระาธาตุก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะอย่าไปคิดมากว่าพระาธาตุจริงพระาธาตุปลอมไม่สำคัญหรอกมันอยู่ที่ว่า เรามีความสําคัญมั่นหมายไหมวันนี้เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าสั ญ, ญลักษณ์ของพระธรรมพระสงฆ์อะไรอย่างเนี้ยนะเขาว่าพระธาตุพระพุทธเจ้าเราเออขอพระพุทธเจ้าเรากราบเราได้บุญแล้วเนาะถ้าเรามัหสงสัยว่าพระพุทธเจ้าจริงเรือไม่ได้บุญหรอกนด้อกุศล น, นะในคัมภีรธรรมบทนะอัตถคถาธรรมบทเนะคยพูดถึงพระเจ้าแผ่นดินองค์นึงทำบุญนะชอบใส่บาตร พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยชอบใส่บาตรนะแล้ววันหนึ่งก็มีพระองค์หนึ่งสวยงามมากเลยมารับบาตรท่านก็คิดว่าพระองค์เนี้ต้องเป็นพระอาหารหันต์แน่นอนมารับบาตรท่านก็ปลื้มใจนะใส่บาตรด้วยความปลื้มใจนะพอพระรับบาตรแล้วพระออกจากวังไปท่านก็รีบใช้อำนาจตามไปดูเลยว่าพระองค์นี้หายไปไหนความจริงเป็นพระเกมาบินทบาทนะหาข้าวอร่อยอร่อยไปเลี้ยงเมียเมียแพ้ท้องนะ พอออกจากวังมาได้หน่อยเดียวนะแกก็ถอดจีวร อ, ออกเลยก็กลายเป็นโยมเอาข้าวไปอมานี่เห็นนะเฮ้ยพระปลอมจะไปบอกพระเจ้าแผ่นดินเดี๋ยวก็เสียใจก็ไปหลอกพระเจ้าแผ่นดินข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้าตามพระภิกษุผู้งดงามนั้นไปแล้วนะเมื่อเดินไปพ้นวังถึงหัวโค้งแห่งหนึ่งนะภาคกาสาวพันนั้นก็อันตรธานไป โอ้ท่านหายตัวไปนี่ท่านพระอาหารหันต์จริงๆนี่พระเจ้าแผ่นดินนี่ปลื้มนะปลื้มได้บุญมหาศาลเลยต่อมาพระเจ้าแผ่นดินนี่ตายนะอมาทนี่เกิดได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนวันหนึ่งได้ใส่บาตรพระปัจเจกนะดูไม่สวยไม่งามนะใส่แล้วก็สงสัยว่าพระปลอมแบบว่าเพราะเราเคยเห็นนะเคยจับพระปลอมได้มาแล้วเนี่ยเห็นไหมตัวเองกโกหกไว้นะะคิดว่าก็ใช้อมารตรว่าไปดูบ้าง อมาลนี้เดินไปตามไปดูพระปัจเจกนะพอท่านพ้นวังแนละ้วท่านเหาะไปเลยนะหายวับไปกับตานะอามาลก็มาทูลพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่พอพ้นวังไปนะพระเจ้าข่าท้าราชการสวัพัฒ น, นั้นก็อันตรทานไปต่อนหน้าต่อตาพระเจ้าแผ่นดินสุดเซ็งเลยพระเกะพูดเหมือนที่เราเคยพูดเปียบเลยนะจิตเศร้าหมองนะจิตเศร้าหมอง ตายไปก็ยังนึกถึงมันมาหลอกกินข้าวเราเนะนี่ยอุตส่าห์ทำบุญกับพระแท้นะมาหลอกกินข้าวเราตะโกนว่าจิตเศ้าหมองนะตายไปก็ไม่ดีสู้องค์แรกไม่ได้นะทำบุญกับพระปลอมนะงั้เราอย่าไปกังวล น, นะว่าพระาธาตุจริงพระาธาตุปลอม <c oughs> ขอให้นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ดีทั้งนั้นนะอย่างเรากราบพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าหรือนะ ก็เป็นก้อนอิฐก้อนดินก้อนหินใช่ไหมเป็นทองเหลืองเป็นทองแดงมาสร้างเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมาขอให้ใจเป็นกุศลเถอะกุศลมันก็เกิดถ้า ใ, ใจเป็นอกุศล น, นะอะกุศลก็เกิดนะงั้นไม่ต้องไปนั่งเถียงกันหรอกใครเขาว่าพระธาตุเราก็พระธาตุกับเขาแหละนะใครเขาว่าไม่ใช่เออก็แล้วแต่นะมีนะบางคนไปพิสูจน์กันด้วยนะใช่ไม่ใช่ถามว่าเอาไปพิสูจน์ยังไงเอาไปลอยน้ำหลวงพ่อยังบอกเลยพลาสติกบางอย่างลอยน้ำนะ หลายเราวิ่งเข้าหากันด้วยอ๋องั้นไม่สําคัญหรอกนะไม่สําคัญหรอกสําคัญที่ใจเราเป็นกุศลหรือไม่เป็นนะตัวที่จะชี้ขาดเลยก็คือใจเรานี่เองนะทําทั้งหลายสําเร็จได้ใจนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จได้ด้วยใจถนะ้ใจเป็นกุศลสอย่างกุศลก็เกิดใจเป็นอกุศลสอย่างอากุศลก็เกิดนะงั้นเราฝึกจิตฝึกใจของเราให้เรื่อยๆไปนะค่อยๆขัดเกลาไปมีความชั่วค่อยลดค่อยละไปนะ มีกุศลค่อยสร้างค่อยทําไปในสุดกุศลก็ถึงพร้อมกุศลถึงพร้อมแล้วเรารู้เลยว่าโอ้ธรรมะของจริงมีอยู่ธรรมะของจริงมีอยู่เพราะว่าเราได้ปฏิบัติตามแล้วเราพ้นทุกข์ได้จริงพระสงฆ์มีอยู่จริงๆนะเดิมเราก็เป็นคนธรรมดานี่แหละแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมะเราพ้นทุกข์พ้นร้อนใจเราเป็นพระสงฆ์ได้จริงๆรนะิมีพระธรรมมีพระสงฆ์จริงๆพระพุทธเจ้าก็ต้องมีจริงสินะ ท่านถ่ายทอดธรรมะมาให้นะเราก็จะเชื่อเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงๆนะไม่คลอนแคลนอีกต่อไปลนะไม่ใช่พระพุทธเจ้านิพพานเราไม่มีแล้วไม่ใช่นะนั่นไม่มีโดยพระรูปกายเท่านั้นเองนะก็กลายเป็นพระท ô งพระทาท์อะไรไปนะส่วนคุณงามความดีของท่านนะความเมตตากรุณาอะไรของท่านนะไม่ได้สูญหายไปนะอยู่ที่เราเท่านั้นแหละใจเราคู่ควรที่จะสัมผัสกับท่านได้เราก็สัมผัสได้ ใจเรามีแต่กิเลสตัณหาเราก็สัมผัสไม่ได้งั้นธรรมะมีจริงๆริงนะพระสงฆ์พระพุทธมีจริงจริงอยู่ที่เรานี่แหละเอาจริงไหมถ้าเอาจริงก็ได้ของจริงเอาไม่จริงก็ได้ของไม่จริงนะอยู่ที่ตัวเราเองแล้วลนะ่ะงั้นธรรมะก็ยังประกาศอยู่นะยังแสดงอยู่ธรรมะไม่ได้หายไปไหนอยู่ที่ตัวเราจะเอาได้ไหมนะเราเอากิเลสเราก็เป็นลูกน้องมานไป เราอยากได้เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะเราก็หัดรักษาศีลฝึกจิตฝึกใจเจริญปัญญาไปนะะวันหนึ่งก็จะได้ลิ้มรสชาติของธรรมะที่อัศจรรย์ที่สุดเลยอัศจนะรรย์นะใช้คำว่าอัศจรรย์เคยทุกข์ก็ไม่ทุกข์เคยยากก็ไม่ยากนะต่อไปเชิญส่งกันบ้านวันนี้เทศเดียวหน่อยนะในฐานะที่เป็นวันแห่งธรรมะพระพุทธเจ้าอุตสาห์แสดงธรรมะแนละ้วนะ ที่ผ่านมาเหมือนว่ามันอะไรมันห่างออกไปอีกอะค่ะหลวงพ่ออะไรมันห่างก็ช่างมันก็ดูไปนะร่างกายก็ห่างๆความสุขความทุกข์ก็ห่างๆกุศลอกุศลก็ห่างๆนะโลกก็ห่างๆออกไปพอโลกห่างๆออกไปทุกข์ก็ห่างออกไปด้วยก็โลกนั่นแหละตัวทุกข์ลูกประธรรมนามธรรมนั่นแหละคือโลกลูกประธรรมนามธรรมนั่นแหละคือสัตว์ ลูปธรรมานามธรรมนั่นแหละคือตัวทุกข์มันะห่างสบายสบายขึ้นนะแต่อย่าติดความสบายตัวนี้นะอันนี้เป็นความสบายเล็กน้อยเป็นกับดักของมารที่จะมาล่อนักปฏิบัติพอหัดปฏิบัตินะมีสติขึ้นมานะสบายโล่งพอใจแล้วถ้าพอใจอยู่ตัวนี้ก็คือติดกับแนละอย่างงี้ก็ทําในรูปแบบต่อไปทำไม่เลิกนะไม่เลิก ความสุขอันนี้เป็นความสุขที่มันหลอกมันล่อเราให้ขี้เกียจที้คลัน้นให้พอใจ ม, มันรู้สึกเหมือนทําอะไรไม่ได้ค่ะหลวงพ่ อ, อ, อนั่นแห<อ>ละอ<น>ย่าท้อใจทําไปนั่นแหละที่ว่าทําไม่ได้นั่นแนนนหลนะทำไปเมืมรเรนะ่มันจะหลอกเรานะั้นทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องทําอะไรหรอกนะอยู่อย่างนี้แหละสบายมันจะหลอกเรานะเนี่ยกับดักของมารมารฉลาดนะมารไม่ใช่งโง่นะมารฉลาดจริง ๆ, ๆหลอกให้เราเลิกปฏิบัติตลูกเดียวเลยนะ พอเราภาวนามาช่วงหนึ่งนะใจมีความสุขมีความสบายมันเฟิ่นงเลยมีความสุขความสบายแล้วติดอกติดใจในความสุขความสบายไม่ยอมรู้ถูกต่อไปละไม่ยอมรู้กายไม่ยอมรู้ใจแล้วรู้สึกว่าทำอะไรไม่ได้มันไปดูมันหรอกอยู่เฉยๆมีสติอยู่เฉยๆก็มีความสุขแล้วนี่นันมันหลอกนะต้องดูกายดูใจต่อลูกเล่นเยอะมานมานมีดีอย่างเดียว มันที่เราต้องกราบต้องไหว้คือมานดาอ้าวก็<ค üre>มันไม่ค่อยตั้งมัน่นเท่าไหร่เออปัจจัยนะปั <Okay. S 1> ะจจัยก็รู้มีความสุขก็รู้ไปนะมันเป็นยังไง ร, รู้รู้ด้วยความเป็นกลางตรงที่รู้นั่นแหละกลางะตรงที่คิดน่ะไม่กลางอ่ะตรงที่รู้มันกลางอยู่แล้วนะงั้นมีอะไรเกิดขึ้นรู้อย่างที่เขาเป็นนะ แล้วก็พอหลองไปคิดไม่จะยินดีขึ้นมายินร้ายขึ้นมาเราก็รู้ทั น, นรู้ทันความยินดียินร้ายรู้ทันการหลงไปคิดจิตหลุดออกมาจากความยินดียินร้ายหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรับรู้ก็เป็นกลางอีกนะสารอดก็จิตจิตไม่มีกําลังนะครับผมแล้วก็แล้วก็โดยเหมือนการปฏิบัติก็คือยังไม่ยังไม่ค่อยเอาจริงฮะไม่เอาจริงแล้วก็ไม่ไม่มี ร, ระเบียบวินัยเ อ, อ เราไม่เอาจริงเราก็ไม่ได้ของจริงนะผลวพ่อบอกแล้วนะยุติธรรมนะเอาจริงก็ทําจริงก็ได้ของจริงทําเล่นๆอยู่ได้แต่ของเล่นๆไปนะต้องอดทนเอาพักเพียนเอานะเก่งไม่เท่าไหร่หรอกอดทนเนี่ยสำคัญคนเก่งแล้วไม่อดทนนะวืวืวหวาหวาไม่ได้กินหรอกเสร็จหมดเลยความฉเฉลีย ว, วฉลาดทั้งหลายนะเป็นเครื่องมือของมารทั้งหมดเลยฉลาดมากๆกลายเป็นเครื่องมือของมาร น, นะ อดทนมีสติมีปัญญาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจไปเรืยถึงจะพ้นบ่วงของมารได้เทศไปเทศมามีแต่เรื่องมารวันนี้ค่ะหลวงพ่อจิตมีกําลังแล้วก็ตั้งมั่นได้มากขึ้นค่ะ <c oughs> สดชื่นแล้วก็ไม่เคยเจอสภาวะเนี้ยนานมากแล้วค่ะ <c oughs> วันนี้เป็นวันสําคัญทางศาสนาคนทําชั่วน้อยลงนะกระแสพลังของบุญมันเยอะงั้นวันนี้เราภาวนาดี ้วันนี้ยกให้การภาวนาซะนะอย่าย ก, กให้การพากันไปเที่ยวไปกินเหล้ากินเลี้ยงนอะ่นะถือว่าวันนี้เป็นวันนานๆจะมีทีหนึ่งนะวันสำคัญอย่างนี้ยกถวายพระพุทธเจ้าซะวันนี้ทั้งวันนะภาวนาไปมีสติรู้กายมีสติรู้ใจไปตั้งใจรักษาศีลไนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นสมาธินะนฝึกไปอย่างน้อยวันนี้เอาให้เต็มวันให้ได้เลยนะสักวันหนึ่งนะ ถวายพระพุทธเจ้าทำไปค่ะรู้สึกว่าวันนี้โมหะน้อยกว่าเมื่อวานนะคะหลพ่อดีแล้วก็หลังจากที่ปฏิบัติมาเมื่อวานเนี่ยมีความรู้สึกว่าเห็นเห็นกายชัดกว่าค่ะถูกแล้วล่ะจริตเราเป็นอย่างนั้นน ะ, ะโดยจริตที่เาเรียกว่ารักสวยรักงามนะรักสวยรักงามเนี่ยดูกายไปจะดูได้ดี นะเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะดูมันสบายๆไม่ไปกดให้นิ่งนะไม่ไปกดจิตให้หนักๆรู้สึกไปสบายๆนะนะคือยังไม่เคยปฏิบัติรำมาก่อนน่ยนะคะโดยไ ม, ไม่แน่ใจว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นนะง่ายที่สุดเลยนะคอยรู้ความรู้สึกของตัวเอง ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นสดๆร้อนๆคอยรู้ไปเรื่อยไม่บังคับมันนะมันสุขขึ้นมาก็รู้มันทุกข์ขึ้นมาก็รู้มันเฉยๆก็รู้นะมันโลภมันโกรธมันหลงมันดีใจมันเสียใจมันกลัวมันกังวลความรู้สึกนี้จะเวียนหมุนอยู่ในใจเราตลอดเวลาอะไรเกิดขึ้นสดๆร้อนๆรู้ไปไม่ใช่เพื่อละนะรู้ลูกเดียวเลยโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธโลภขึ้นมารู้ว่าโลภกลัวขึ้นมารู้ว่ากลัวดูไป นะความกลัวก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายนะดูซื่อๆดูแล้วไม่แทรกแสงนะง่ายๆนะง่า ย, นะายสุดๆเลยการปฏิบัติใครยังงงๆนะไม่รู้จะเริ่มปฏิบัติยังไงนะเอาที่ง่ายๆเลยนะค่อยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปความรู้สึกใดเกิดขึ้นสดๆร้อนๆ น, น, นะรู้ความรู้สึกนั้นไปเช่นนั่งฟังหลวงพ่อพูดแล้วงงงงรู้ว่างงเห็นไหมความรู้สึกงงมันเกิดแล้วรู้ว่างง นั่งรู้สึกไปก็เห็นนะีความงงมันอยู่ช่วคราวเนะี่เดี๋ยวมันก็หายไปแนละ้วนะนั่งไปนั่งมามันร้อนนะหงุดหงิดขึ้นมาเนะี่ยความรู้สึกหงุดหงิดเกิดขึ้นในใจเรามีสติรู้ทันว่ามันหงุดหงิดนะดูไปสิความหงุดหงิดเป็นจิตเป็นใจของเราจริงไหมถ้าดูเป็นนั่นก็จะเห็นเลยความหงุดหงิดไม่ใช่จิตเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้นะเนี่ยดูอย่างนี้เรืไป งงขึ้นมาก็เห็นเลยความงงก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอะไรอะไรก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นแค่สิ่งที่ไปรู้เข้าเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นหัดรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดส ด, สดร้อนร้อนหัดรู้สึกไปอย่างนี้เรื่อยๆนะถ้าดูความรู้สึกไม่มีความรู้สึกอะไรให้รู้ก็มารู้สึกร่างกายเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนนะเรารู้สึกไปสบายสบาย ร่างกายที่ยืนอยู่นี้เป็นของที่จิตไปรู้เข้าใช่เหมือนกับความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละคือเป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยอะไรถูกรู้ถูกดูอันนั้นไม่ใช่ตัวเราจริงหรอกนะอย่างพัดเนี่ยมีพัดหนึ่งอันพัดเป็นสิ่งที่พวกเรามาเห็นเข้ามารู้เข้านะงั้นไม่มีใครเห็นพัดเป็นตัวเราหรอกนะเพราะฉะนั้นดูลงมาในกายดูลงมาในใจนะเห็นได้เป็นของถูกรู้ถูกดูไปไม่มีตัวเราหรอกอาต่อไปใครจะคุยกับหลวงพ่อ เอาเท่าที่จำเป็นนะขอเท่าที่จำเป็นวัดใจตัวเองนะจะทำด้วยความโลภนะวัดใจเอา98้าเชิญลูกได้มาฝึกปฏิบัติที่วัดหลวงพ่อสองปีกว่าแล้วคะ่ะหลังจากที่มาเริ่มฝึกกับหลวงพ่อก็พอมีสติรู้ตัวมากขึ้น อ, อยู่ระหว่างรู้กับลงรู้กับลงลูกมาสังเกตว่า เมื่อจิตตื่นขึ้นมาเขาก็เฉยๆไม่ไม่มีความคืบหน้าอะไร mm hmm. ในระหว่างที่กำลังสงสัยอยู่นั้นหลวงพ่อก็ได้ไปเทศที่ศาราลุงชิน mm hmm. เมื่อเดือนที่แล้ว mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของผู้ฝึกปฏบิบัติบางพวกที่เมื่อจิตตื่นขึ้นมาแล้วอยู่เ mm hmm. ฉยๆเป็น mm hmm. อาจจะเป็นพวกสัญญาวิปลาสอย่างรุนแรงลูกสังเกตดูตัวลูกน่าจะเข้าอยู่ในพวกนั้น หลังจากฟังหลวงพ่อเทศแล้วเนี่ยลูกก็ได้นำสิ่งที่หลวงพ่อสั่งสอนในในการเทศเมาฝึกคะ่ะโดยปรับสัญญาคิดนำก่อน <c oughs> สอนเขาคะ่ะ <c oughs> หลังจากนั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยวันหนึ่งลูกอาบน้ำเสร็จแล้วตอนกลางคืนก็มานั่งเตรียมจะเข้านอนเปิดฟังหลวงพ่อก็เทศช็อตนี้อยู่พอดีคะ่ะ <c oughs> เทศที่ว่าการแยกธาตุแยกขัน ทันใดนั่นเองเลูกกำลังสบายๆก็ลูกไม่แน่ใจมันเห็นเหมือนตัวลูกเนี่ยดีดผางออกไปอยู่ที่ฝั่งตรงกันข้า ม, มะคะเหมือนทุกอย่างเลยก็ตกใจเพราะว่าแต่งเนื้อแต่งตัวหน้าตาทำท่าทำ ท, า, ท, า, ท, า, ทางกำลังแรลงฟันเหยียดแข้งเหยียดขาเหมือนลูกก็เลยตกใจพงะก็แวบหายไปหลังจากนั้นลูกก็ไม่ย่อท้อเห็นไปครั้งเดียวะคะ่ะก็ฝึกคือสอนเขาไปเรื่อย สอน ท, ทุกครั้งที่มีโอกาสตื่นเช้าขึ้นมาไปเข้าห้องน้ำก็สอนเกี่ยวกับร่างกายนะคะมีมีความรู้สึกอะไรที่เด่นชัดเกิดขึ้นก็สอนก็จะเขาจะร้องไหะคะ้คือ <ừ> ลูกก็จะร้องไห้ <ừ> สะอึกสะอื้นเหมือนเหมือนรับไม่ได้เนี่ยคะ่ะแล้วทุกวันนี้ลูกก็ยังยังคงทำมาอยู่จะกราบ เรียนถามหลวงพ่อว่านี่ลูกทําอย่างนี้ถูกต้องไหมคะถูกนะแต่ตรงที่แยกธาตุแยกขันเนี่ยไม่จําเป็นต้องแยกผางออกไปอยนะ่างนั้นหรอกนะเนี่ยตัวที่กําลังพยักหน้าอยู่เนี่ยสังเกตไหมตัวนี้ถูกรู้เนี่ยฝึกอย่งนี้นะไม่จําเป็นว่าต้องแยกไปเป็นอีกคนหนึ่งหรอกสังเกตไหมร่างกายพยักหน้าร่างกายอ้าปากเนี่ยร่างกายจิตใจหนีพิคิตเห็นไหมสิ่งเหล่านี้เป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งหมดเลยนะเนี่ยมันแยกแล้ว ร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นะร่างกายที่จับไมโครโฟนร่างกายที่พยักหน้าเนี่ยแม้ mm hmm. มันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแม้นกายกับจิตนี้เป็นคนละอันกัน mm hmm. คนละสิ่งกันนะความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายก็ไม่ใช่ร่างกายความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจก็ไม่ใช่จิตใจนม่หันแยกไปกุศลนกุศลที่เกิดขึ้นในจิตใจก็ไม่ใช่จิตใจเป็นแค่ความรู้สึกที่ผ่านมา ใจิตใจเป็นแค่คนรู้คนดูนะฝึกไปเรื่อยมีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูตอนนี้จิตเป็นผู้คิดทราบไหมดูออกเพียงนะเนี่ยฝึกไปอย่างนี้นะถึงจะเรียกแยกธาตุแยกขันไม่ใช่ต้องแยกออกมาเป็นคนละคนนะแล้วที่เห็นไปนะั้นนี่อาจจะลูกปรุงแต่งไปอันนั้ น, น, นเป็นเรื่องของสมาธิจิต ม, มีสมาธิมันดีดผางออกมาได้นะแล้วดีดออกมาเนี่ยไปเที่ยวได้ด้วยนะอยากไปเชียงใหม่เนี่ยไม่เสียค่าเครือบินเลยปุ๊บไปเลยนะ เออไม่ต้องแยกอย่างนั้นดอกแยกเราขณะที่เป็นๆเ น, นี้ยตัวเป็นๆ น, นี่แหละตัวเป็นๆ น, นี่พยักหน้าอยู่เนี่ยใจเรารู้ทันจิตแอบไปคิดเราก็รู้ทันเราจะเห็นเลยขันแต่ละขันก็ทำงานของมันไปร่างกายก็ยืนเดินนั่งนอนไปนะหายใจออกหายใจเข้าไปเวทนาก็ทําหน้าที่สุขทุกข์เฉยๆไปกุศลอกุศลเป็นสังขารก็ทําหน้าที่ของมันไปแต่ละขันแต่ละขันก็ทำหน้าที่ของเขาเองดูไปอย่างนี้นะ เ, เบอร์เก้า กลาบมาเศการหลวงพ่อคะ่ะหนูมาตอนปีใหม่นะคะมกรานะคะหลวงพ่อหนูก็ได้เรียนหลวงพ่อว่าปลายปีธันวานี้งานเยอะมากแล้วก็ เ, เครียดเรื่องลูกน้องอะไรต่างๆหลวงพ่อก็ได้บอกหนูไปว่าให้เป็นกลางคะ่ะหนูก็ คิดว่าพอมีอารมณ์โกรธลูกน้องหรืออะไรต่างๆการงานก็คิดถึงว่าหลวงพ่อบอกให้เป็นกลางแต่ลู ก, ล, กลูกบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณแม่ต้องเป็นกลางเองไม่ใช่ว่าเราบอกให้เป็นกลางเป็นกลางอย่างเนี้ค่ะครนี้มาระยะเดือนสองเดือนนี้รู้สึกว่ามีอารมณ์โกรธหรืออะไรต่างๆขึ้นมานี่มันเหมือนตัดค่ะอ <c oughs> เหมือนตัดปุ๊บไปเลย แล้วเราก็ค่อยๆอธิบายลูกน้องหรืออะไรต่างๆนั่นต้องอย่างนั้นค่ะหนูไม่ทราบว่าหนูคิดไปเองหรือหรือหนูเป็นกลางได้เองแล้วค่ะหลวงพ่อคพอความโกรธเกิดขึ้นสติระลึกได้นะความโกรธก็จะดับไปค่ะนะอย่างเนี้ยใช้ได้เป็นกลางอ๋อค่ะแต่บางทีความโกรธเกิดขึ้นเราไม่ชอบไม่อยากให้โกรธเนี้ยไม่เป็นกลางอ๋อค่ะหลวงพ่อแล้วหนูควรหลวงพ่อให้หนูมีนี่และทำอะไรบ้างไหมคะดูความรู้สึกของตัวเอง เกิดขึ้นสดๆร้อนๆดูไปเรื่อยๆนะค่ะเมืสส่อเทศกรารหลว <18, S 2> งพ่อคะ่ะเจบแปอยู่ไหนอ๋อเทศการหลวงพ่อครับคือเมื่อวันเสาร์ส่งกันบ้านแล้วดังๆงเลยหลวงพ่อแก่เมื่อวันเสาร์ส่งกันบ้านไปแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูการที่มันทํางานได้เองครับ เ, ออเห็นไหมก็เห็นครับขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าบางทีก็มันไม่เห็นแล้วใจมันคิดพยายามคิดเร่งมันขึ้นมาครับจอให้รู้ว่าโลกครับนะก็รู้ทันไปแล้วก็อ๋อ เมื่อวานนี้คุณหมอนาดบอกว่ากำลังมันยังไม่มีครับก็เลยพยายามไปอยู่กับเครื่องอยู่มากขึ้นดี อ, อ่ีดีแล้วก็สติมันก็เกิดได้บ่อยขึ้นครับได้แหละนะต้องมีเครื่องอยู่นะพ อ, อนวนามไม่มีเครื่องอยู่เหมือนคนไม่มีบ้านอยู่ลำบากครับก็คือพยายามอยู่กับเครื่องอยู่ทั้งวันใช่แต่ไม่บังคับว่าจิตจะต้องอยู่กับเครื่องอยู่นะมีเครื่องอยู่เออ แล้วจิตหลงไปจากเครื่องอยู่ให้รู้ไวๆเขาบอกอ๋อคืออย่างนี้ไม่ไม่ได้ตึงไปไม่ดึงแต่ยังอ่อนไปปะครับทำไปอีกสิทำสะสมไป อ, อย่าให้ตึงขึ้นมาอย่าให้แข็งนะไม่แข็งแข็ ง, ขงๆเครียดๆใช้ไม่ได้ครับข้อที่สิบส <V 14 S 2> ี่กราบ <14. S 2> หลวงพ่อเจ้าค่ะเพิ่งเพิ่งจะเห็นร่างกายที่มันห่างจากจิตเมื่อเช้าที่ขับรถมาเจ้าค่ะโอ้ดี บางคนเห็นเนี่ยนั่นนะตอนถูกรถทับร่างกายกับจิตห่างกันเลยอย่างงั้นไม่เอาน ะ, ะสิ่งสิ่งที่อึดอัดตอนนี้ก็คือเวลาสวดมน์แล้วจะนั่งสมาธินะเจ้าค่ะไม่ทราบเป็นเพราะร่างกายที่ ท, ที่มันมีโรคอยู่หรือว่าเป็นเพราะว่าจิตที่เราไปร้อยลัดกับร่างกายสังเกตเอาสินะสังเกตเอาอย่างเราสวดมน์เนี่ย จิตใจเรากังวลในร่างกายจิตใจก็ไม่สงบอย่างนี้ก็มีนะ <Okay. S 1> ร่างกายไม่สบาย <Okay. S 1> มายันก็ทำให้จิตใจเครียดๆไปด้วยอย่างนี้ก็มีนะ <Okay. S 1> อีกอย่างหนึ่งร่างกายก็ดีจิตใจก็ไม่ได้เป็นอะไร <Okay. S 1> อยู่ๆไปนั่งสมาธิไปสวดมนต์แล้วก็บังคับจิตใจจะให้สงบอย่างนี้จิตใจก็เครียดได้เหมือนกัน <Okay. S 1> นะไปดูนะมีหลายแบบ <Okay. S 1> ไปสังเกตเอาเอาเบอร์ห okay. ส มาส่งการบ้านครั้งที่สองค่ะครั้งแรกเมื่อกระดากราปีที่แล้วได้ปีหนึ่งพอดีเลยขาไม่กล้ามารบกวนหลวงพ่อมากอ อ, อจะมากราบส่งการบ้านหลวงพ่อว่าตลอดเวลาที่ทุกตอนนั้นที่ติดสมถาะามายี่สิบกว่าปีนะคะตอนนี้ที่มันเห็นนะก็คือไม่กล้าที่จะนั่งสมาธิเพราะว่าแต่ก่อนนั่งสมาธิแล้วจิตมันพุ่งแรงอืก็ตอนนี้มันมีพยาบาทมีโทสะมีโมหะอยู่ กลัวว่าการที่นั่งสมาธิแล้วมันจะพุ่งแรงขึ้นไปก็อยากจะมาถามหลวงพ่อว่าณตอนนี้ไปนั่งสมาธิได้ไหมคะได้นะแต่อย่าไปนั่งบังคับตัวเองน ะ, ะนั่งดูกายหายใจนั่งดูจิตใจทํางานดูเล่นๆอนะ่ะคือคือตอนนี้ไม่กล้าไม่กล้าไปนั่งสมาธิแต่ว่าเดินจงกรมแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อเป็นสมการไปได้เดินจงกรมไปได้นะค่ะร77อยู่ไหนร77 อ้าวว่ามาในวัฏจักรค่ะหลวงพ่อคือครั้งที่แล้วหนูมาส่งกันบ้านนะคะหลวงพ่อบอกให้หนูไปดูความอยากมาค่ะเห็นไหมแต่ว่ามันเห็นบ้างไม่เห็นบ้างอืเห็นตลอดก็เก่งสิแล้วก็เดือนที่แล้วอะค่ะอยู่ๆมันก็เห็นเห็นกายพูดเองมาวิเนื้อค่ะแล้วมันก็ไม่เห็นเลยอ่ะอย่าอยากเห็นนะถ้าอยากเห็นหนูจะไม่เห็นหรอก หนูหันรู้สึกตัวไปเรื่อยหัดรู้ทันจิตใจหัดรู้ทันร่างกายที่เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเขาเห็นของเขาเองขอ่ะพนค่ะเจ็ดสิบห้ากราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเพิ่งมาครั้งแรกอะค่ะอืก็พี่สาวเอาซีดีให้ของของหลวงพ่อให้ฟังซีดี <CD S 2> ไม่ใช่ของหลวงพ่อหรอกออหลวงพ่อเทศเฉยๆ <c oughs> คนอื่นเขาทําำ <c oughs> <c oughs> ก็ฟังได้สเดือนนะคะแล<ช>้วก็ตามรู้รู้ใจเพราะว่าตัวเองเป็นคนคิดมากแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็คือมาคุยกับพี่สาวที่ให้ซีดีค่ะว่าให้รู้กายก็พยายามรู้กายก็รู้สึกว่ามันรู้ได้ดีกว่ารู้ใจแต่ว่าก็มีเวลาใจเผลอไปคิดอะไรก็นั่นแหละดูกายดูใจะนะม็มีอยู่เท่านั้นแหละดูเรื่อยๆไป นี่อยากจะถามหลวงพ่อว่าหนูทําแบบนี้ถูกต้องหรือว่าถูกนะ<ป>แต่จิตไม่สงบนะจิตไม่ตั้งมั่นพอดูออกไหมดูออกเพรนทุกวันต้องทําในรูปแบบไหว้พระสวดมนต์นะแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้นึกในใจพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆนะคะพุทธโธแล้วจิตแอบไปคิดรู้ทันพุทธโธแอบไปคิดรู้ทันลืมพระพุทธเจ้าแล้วกนะลับมาอยู่กับพุทธโธนะนี่สุดจิตมันจะสงบตั้งมั่นมีแรงมากกว่านี้นะ ตอนนี้แรงน้อยไปพอดีเมื่อวานหนูหนูคุยกับพี่พสุเมศนะคะว่าพอท่องพุทโธแล้วมันก็จะไปติดอยู่แบบพุทโธตามหายใจเข้าออกเลยก็ไม่เห็นหเป็นไรนะพุทโธแล้วจิตไปติดอยู่ก็รู้ทันนะขอบคุณค่ะที่สำคัญคือจิตเนี่ยมันยังไม่สงบนะไปหาทางฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง ให้จิตมันมีที่อยู่ที่อาศัยมันได้สงบนะถนัดพุทโธก็เอาไม่ถนัดก็ไปดูอย่างอื่นเอาเบอร์อะไรเบอร์อะไรเท่าไหร่นะสี่สิบอสี่สิบกับประสบการณ์หลวงพ่อนะครับเป็นครั้งแรกอะครับได้ฟังซีดีตั้งแต่ปีที่แล้วหลังจากเรียนจบอะครับแล้วไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตต่อไปยังไงก็พอได้ฟังได้ศึกษาก็รู้ว่าตัวเองจะทำยังไงต่อไปอะครับ ครับแล้วก็ก็คือช่วงที่ฝึกแรกๆครับก็รู้รู้ลบรู้ว่าตัวเองหลงรู้ว่าตัวเองโกรธรู้แบบวุ่นวาบุ่นว้าวเลยครับอืแต่พอทําไปสักพักระยะหนึ่งครับมันเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงะครับเริ่มไม่รู้สึกอะไระครับอืก็แล้วบางครั้งทําให้รู้สึกว่ารู้ว่าคิดรู้ว่าคิดหรือว่าคิดว่ารู้อะครับยังสับสนอยู่ะครับแล้วก็งงนะงงรู้ว่างงเลยครับมันก็แค่ความรู้สึกอันหนึ่งเท่านั้นครับครับแล้วก็ก็คิดว่า คงไม่มีแรงก็เลยนั่งสมาธิอะครับนั่งพุทโธพุทโธหรือว่าสวดมนต์มากครับแล้วก็นั่งๆั่งไปก็วูบหายไปเลยครับแล้วคืนมาใหม่ไม่เป็นไรนั่งมูบเพื่อให้มันพักไปแล้วกลับมารู้สึกตัวแล้วก็ดูเอาใหม่ครับเราอยากขอการบ้ายครับก็เดี๋ยวเสาวหน้าจะพาพี่สาวมาด้วยอะครับเหรอครับฝึกไปสิจะเอาอะไรก็เอาสักอันนะให้จิตมันมีที่อยู่ไว้อันหนึ่งก่อนครับนะถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่เนี่ยมันจะหลงนาน เอาดูเอาเลือกเอาครับผมพระเจ้าสอนไว้หมดแล้วนะครับนะในสติปัฏฐานเราไปดูเอาเอากายหรือจะเอาเวทนาหรือจะดูจิตสังขารที่เป็นกุศลอกุศลแล้วยังไหจะบอกกับเจ้าหิกับผมมาครับอาช่างคิดอย่างเงี้ยไปดูจิตดูใจครับอ่ะครับแต่ดูจิตนะก็ควรจะพุทโธกำกับไว้ครับผมแต่พุทโธพุทโธไปจิตอไปคิดเรารู้อย่างเงี้ยนะร้อยหกแต่ไม่ใช่พุทโธแล้วบังคับจิตนะ ไม่ใช่พุโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธทโธห้ามหนีไปที่อื่นไม่ใช่ร้อยหกสิบมรสการถล่มพ่อหนูที่ผ่านมาค่ะมันมีวิบากกรรมก็แต่ก็รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าตัวเองเฉยเฉยะค่ะหนูพลาดอะไรไปหรือเปล่าเจ้าค่ะช่วยยันภาวนาอยู่ไหมล่ะก็ภาวนาเหมือนเดิมอะคะ่ะทำในรูปแบบเหมือนเดิมแล้วเวลาภาวนาอึดอัดไหม มีบ้างเป็นบางคับนะนะคะคอยดูนะถ้าภาวนาที่ดีนะใจจะโปร่งโล่งเบานะถ้าอืดอัดเนี่ยเราไปบังคับมันนะแล้วคอยรู้สึกไปนี้ถ้าภาวนาไปแล้วใจมันโล่งโล่งว่างๆอะไรเงี้ยย้อนกลับมาดูกายไว้นะค่ะ <c oughs> หรือช่วยมันคิดพิจรารณากระตุ้นให้มันเดินปัญญาต่อค่ะ <c oughs> บางคนดูจิต ด, ดูจิตไปเรื่อยๆนะแล้วจิตเป็นนิ่งนิ่งว่างๆไม่เดินปัญญาต่ออันนี้ใช้ไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องช่วยมันช่วยกันด้วยการคิดพิจารณาเอา เป็น <Okay. S 1> การกระตุ้นให้มันมาหัดมองร่างกายจิตใจนี้ว่าเป็นใจ ล, ลับให้มันหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆมันจะไม่เฉยถ้ารู้สึกตัวอยู่เฉยอย่างนี้ไม่ดีนี่บางคนพอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันเห็นร่างกายเห็นจิตใจทางานไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีบางคนพอรู้สึกตัวแล้วก็เฉยอยู่อย่างงี้อันนี้ต้องช่วยมันพิจารณากระตุ้นให้มันทำงานไม่ยอมให้มันเฉยได้อีกเล็กน้อย <97. S 2> นวัต ก, การมค่ะหลวงพ่อคือเจอหลวงพ่อครั้งสุดท้ายอะค่ะหลวงพ่อบอกว่าให้ดูกายช่วยหนูก็เลยไปแบ่งเวลาตอนกลางคืนนะคะสังเกตรหรือเปล่าว่าจิตเราไม่เหมือนเดิมสังเกตค่ะดไีไม่ดืก้ก็ดีอย่างนี้เลยคือห น, หนูเห็นจิตที่มันฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็หนูเห็นการทํางานของจิตอที่ว่ามันมันก็จะทํางานของมันเองอค่ะไม่ทิ้งกายน ะ, ะดูกายไปได้่อยแล้วจะเห็นจิตชัด ที่หนูมีคําถามก็คือว่าหนูเคยเห็นหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดจะขึ้นวิปัสสนาจะต้องเห็นสันตติขานแต่หนูเห็นเป็นว่ามันขันมันลอยอยู่ห่างๆคือได้นั้นก็เห็นว่ามันเป็นอนัตตาอ๋อก็คือดูไม่จําเป็นจะต้องเห็นเป็นช่องว่างสันตติไม่ต้องไม่เหมือนคนอื่นก็ไม่เป็นไรเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วแหละ อันที่สองนะคะหลวงพ่อคือหนูนั่งสมาธิไม่เป็นนะคะก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่สงบจริงๆหนูจะอ่านหนังสือธรรมะหรือว่าอ่านหนังสือสธรรมะนะก็เป็นการตรึกตรองในธรรมะนะก็เป็นธรรมานุสติได้ความสงบค่ะเพราะแต่ว่าหนูจะได้แค่ช่วงระยะสั้นๆธรรมดาน ะ, ะนะแล้วก็ระหว่างที่หนูอ่านหนูก็จะดูจิต ด, ดูกายไปบางทีก็อ่านไม่รู้เรื่องแต่ก็อาศัยเนะะี้ยค่ะได้ได้ทำดีละ แล้วหนูขอกันบ้านที่ว่าให้ทำต่อเลยทำเหมือนเดิมเลยนะดูกายไว้จะเห็นจิตชัดขอบคุณค่ะร้6ยบางคนดื้อนะบอกให้ดูกายก็เถียงจะดูจิตคนบอกให้ดูจิตจะดูเวทนาดื้ออย่างนั้นสอนยากไหนเบอร์อะไรเบอร์อะไรกามนัษการพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์จําหนูได้ไหมคะจำไม่ได้ดอกหนูที่โดนไฟไหม้เมื่อคราวที่แล้วอะค่ะ แล้วพอดีเดือนนี้ร้านไฟไหม่ะแล้วเดือนนี้ก็อากองก็เสีย่ะแต่ก็พ อ, อพอทราบข่าวก็ก็เฉยๆ่ะพระอาจารย์แต่เมื่อ <c oughs> เมื่อสามสี่วันที่แล้วเนี่ยยมนั่งสมาธิ ค, ค่ะแล้วก็นั่งไปแล้วก็นั่งได้นานมากอมพอนั่งเสร็จก็ไม่ยอมหลับเลยค่ะประมาณสามหลายวันเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็แบบ เห็นจิตเขาทํางานของเขาเองอะค่ะเราบอกเรารู้สึกว่าเราอยากนอนแต่จิตเขาก็ไม่ยอมนอนเราก็ทํางานแล้วรู้สึกว่ามันเจ็มใสแล้วก็ไม่ง่วงอะค่ะพระอาจารย์ก็มันไม่ง่วงก็ให้มันทํางานไปแต่ร่างกายมันต้องพักก็ให้มันนอนไปร่างกายมันนอนแต่จิตใจไม่ยอมนอนก็ไม่เป็นไรปกติจิตก็ไม่ค่อยนอนเท่าไหร่หรอกนะปกติจิตมันนอนนิดนิดหน่อยๆมันไม่นอนเยอะแต่กลางวันก็ปกตินะคะคือจะไม่ง่วงไม่อะไรเลยอะค่ะพระอาจารย์ เวลาที่จิตตื่นมากๆเนี่ยนะแล้วต้องการพักเนี่ยถึงต้องพักในสมาธิไงให้มันนอนหลับเพื่อพักผ่อนอย่างคนธรรมดามันไม่พักหรอกะนะงั้นถ้าต้องการพักจริงๆก็คือทำสมาธิขึ้นมาน <ะ S 2> อันนี้ก็ให้ปฏิบัติต่ตอไปใช่ไหมจ้าปฏิบัติไปนะค่ะ่ตอนนี้จิตเป็นยังไงตอนนี้จิต คคง่ะกดอยู่ดูออกไหมค่ะนิดหน่อยค่ะให้รู้ทันนะเพราะว่ารู้สึกว่ายังอยากจะคุยต่อเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะค่ะกับพผมคุณค่ะยกัน63กราบในมรดการหลวงพ่อที่กรุบอย่างสูงค่ะน่าอินโทรเพราะใช่ก็สิบกว่าเดือนที่หนูภาวนามาหนูจะเห็นลักษณะจิตที่ไหล ที่ เ, เลื่อนที่วิ่งได้ค่ะอืหนูจะรู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นค่ะอืเห็นการเกิดดับเป็นบางครั้งค่ะ อ, อบางครั้งก็ไม่ทันค่ะหลวงพอ่อเออไม่เป็นไรเห็ทันบ้างก็ยังดีหลวงพ่อคะไม่ทราบว่าวหนูเห็นถูกหรือเปล่าค่ะจิตที่ตั้งมั่นนะคะคือเมื่อหนูรู้สึกตัวหนูจะรู้ลมหายใจอะคะ่ะลมหายใจจะช่วยจิตให้ตั้งมัน่นได้หนูก็จะเห็นว่าจิตจะหลงก็มาคับไม่ได้นะคะหลวงพ่อเอ อ, หอเห็นถูกนะเราก็มีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่อว้ค่ะนะ แล้วก็รู้ทันจิตไม่ใช่หายใจให้สงบนะค่ะหายใจไปรู้ทันจิตไปค่ะดีไม่ฝึกต่อแล้วจิตจิตตอนนี้ไม่ถึงฐานดูออกไหมค่ะค่ะตื่นเต้นด้วยค่ะกระจายออกไปค่ะร้อยเจ็ดสิบห้าอยู่ข้างหน้าข้างหน้าขอโอกาสค่ะหนูมาครั้งที่สองค่ะสามเดือนคือมาเมื่อเมษาแล้วก็ หนูภาวนาทุกวันค่ะดีทํางานบ้านแล้วก็อยู่ที่ทํางานแล้วเวลาขับรถเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมมากค่ะนะธรรมะของพระพุทธเจ้านะอัศจรรย์ที่สุดเลยใช่ค่ะหลวงถ้าเราได้ภาวนาเราพบว่าชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงค่ะเปลี่ยนอย่างฉับพลันด้วยอย่างนึกไม่ถึงใช่ค่ะเราจะรักพระพุทธเจ้าหนูศรัทธาพระพุทธเจ้ามากค่ะน่าต้องอย่างนั้นอย่ามาศรัทธาหลวงพ่อมากนะศรัทธาต้องศรัทธาพระพุทธเจ้าไว้ค่ะ คือหนูดูได้ทั้งจิตทั้งกายค่ะอย่างเวลาขับรถไปรถมันจะแฉลบมาอย่างนี้หนูก็จะเห็นว่าเห็นอะไรเห็นรถไม่ใช่ค่ะมันเหมือนจะมีสติตั้งมั่นขึ้นมาอะค่ะอย่างนั้นได้เนื้อรถแฉลบเห็นรถใครเขาก็เห็ทำต่อไปแล้วค่ะทำต่อไปทถูกแล้วจิตเดินมนดีแล้วขอบคุณค่ะดีร้อยี่สิบแปด กรรมนวัตการหลวงพ่อคะ่ะข อ, อการ์ดค่ะคือตอนนี้ก็ติดประคองอะค่ะหลวงพ่อแล้วก็จะเห็นมีตัวนิ่งๆอยู่ตัวหนึง่งนะคะแล้วก็บางบางทีก็ติดเฉยเวลาจะสังเกตว่าจะเห็นอาการนี้เวลารู้สึกว่าอยากปฏิบัติแต่ว่าอาการประคองดีกว่าก่อนหน้านี้ซึ่งปีที่แล้วส่งหลวงพ่อครั้งแรกๆจะเป็นก้อนใหญ่ๆที่กั้นหน้าอกดีกขึ้นแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ส่งเมื่อสิงหาปีที่แล้วก็โมหะเยอะแล้วก็จิตมัว วันนี้วันนี้รู้สึกว่ามีแรงมากขึ้นกว่าเดิมค่ะจะขอโอกาสขอกันบ้านหลวงพ่อเข้าไปทําต่อนะแล้วก็ไม่ทิ้งกายนะร่างกายเคลื่อนไหวอะไรนี่คอยรู้สึกไหมจะเห็นจิตชัดขึ้นสังเกตว่าเวลาทํางานบ้านแล้วรู้สึกกายจะรู้สึกสบายขึ้นกว่าเดิมค่ะนะดีกว่าดูจิตเฉยเฉยถ้าดูจิตดีจะไปเพ่งจิตงั้นร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกรู้สึกเรื่อยๆนะจะเห็นจิตชัดค่ะนะดี อเอามีใครมาจากไกลๆบ้างมาจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีไหมมาจากประเทศไหนร้อยเจ็สิบเอ็ดเยอรมันเหรอเออต่างประเทศใช้ได้ส่งไปสงสารนะบางคนนะอุตส่าห์นั่งเรือบินมานะแล้วยกมือไม่ทันพวกในประเทศ <laughs> พวกในประเทศแย่งขึ้นรถเมล์ชนาน <laughs> าญอ้าวคนเยอรมันว่าไป กลับมาเมืองไทยแล้วจะรู้สึกว่าฟุ้งซ่านกับเหม่อบ่อยมากค่ะหลวพ่อทาไมงั้นล่ะเหมือนอยู่ที่เยอรมันมันจะแบบสงบกว่านี้ค่ะหลอมันอยู่เยอรมันไปนานแต่ว่าก็อยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อให้มีสตินะรู้สึกตัวบ่อยๆนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจของเราจิตใจสงบรู้จิตใจฟุ้งซ่านรู้จิตดีจิต้ายรู้ลูกเดียวเลยนะ แล้วก็ดูร่างกายด้วยของคุณอย่าทิ้งกายนะะดูกายแล้วจะดูจิตชัดดูจิตอย่างเดียวจะไม่ชัดหรอกแล้วเมื่อกี้มีใครคนยกมือเอขอโอกาสให้พี่ชายค่ะมาจากอเมริกาเอออาบนะไกลเหมือนกันขอบขอบคุณครับเต้นๆครับช่วยยืดให้หลวงพ้าเห็นหน้าหน่อยเออยยืดๆขึ้นมาเลยเท่ๆหน่อยเขอบขอบคุณครับโอ้นี่เป็นนักร้องเปล่าเนี่ยเห็นผมผมยาวได้ที่นักร้อง ว่าไเพิ่งเพิ่งฟังธรรมะครับเอรู้สึกว่าติดในแสงสีเสียงนะครับอืเพราะว่าอยากกลับมาไทยมาเที่ยวครับอืเราพอเที่ยวเราไม่สนุกเหมือนที่คิดไว้ไม่สนุกหรอกสนุกอะไรซ้ําๆำซักซครับใช่ครับรู้สึกงั้นต้องฝึกยังไงครับจะเริ่มฝึกดูใจตัวเองไปดูใจใช่ไหมดูใจของเราใจสุขใจทุกข์ใจดีใจร้ายรู้ลูกเดียวเลยเพราะว่าผมผมเวลาผมเห็นแสงสีเสียงผมจะวิ่งไปทุกทีเลยครับวิ่งแต่รู้ว่าใจวิ่งไปรู้ว่าใจวิ่งไปห้ามต้องห้ามไหมครับไม่ห้ามนะ แล้วพอวิ่งไปหรือว่าอยากดูจริงๆเป็นตั้งดูมันเลยแล้วจะรู้ว่าไม่ได้เรื่องเลยอเคครั บ, บจะเจืดชืดเลยรู้สึกไหมรู้สึกครับรู้สึกว่ามันเริ่มน่าเบือ่อแล้วนั่นแหละมันจะน่าเบือ่อเมื่อก่อนพระโมคคัลาพระสารีบุตรนะตอนยังไม่บวชนะชอบดูอย่างนี้แหละชอบแสงสีเสียงดูไปดูไปจนเซ็งเลยไม่เห็นมีสาระเลยนะเลยออกบวชได้นะั <ขอ S 1> ่นดูไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับดูจิตนะไม่ใช่ดูแสงสีเสียง <laughs> ขุไปดูแสงสีเสียงแล้วรู้ทันจิตต้องอย่างนี้น ะ, มะไม่ใช่ให้ดูแสงสีเสียงเรื่อยไปเดี๋ยวจะเอาเราไปอ้าง <laughs> มีไม้ประเทศอื่นอีกประเทศไหนไม่มีแล้วนะเหลือแต่ประเทศไทยเบอร์หกประเทศอะไร อ, ะอยู่ที่จังหวัดไรล่ะ <laughs> เอาเอาประเทศไทยก็เอาไกลเหมือนกัน คือคือหนูปฏิบัติตามหลวงพ่อมานานแล้วแล้วไม่มีโอกาสได้ถามเพราะว่าหลวงพ่อว่าลูกศิษย์ที่ดีไม่ควรจะถามเฮ้ยทําไมล่ะลูกศิษย์ที่ดีไม่ควรถามพล่ําเพื่อคือนี่นี่เป็นครั้งแรกที่ที่มีโอกาสแล้วนะคะอะนูตั้งใจว่าวันเข้าพรรษานี้จะปฏิบัติอย่างเต็มที่อย่างมีวินัยเพราะที่ผ่านมาไม่มีวินยัยแล้วทีนี้ไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะมีคําแนะนําอะไรก่อนที่หนูจะปฏิบัติอย่างจริงจังไหมคะเมื่อตั้งใจแล้วเมื่อตั้งใจแล้วต้องทําให้ได้นะ มีวินัยในตัวเองนะตั้งใจไว้ทุกวันเดี๋ยวต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินะอย่างน้อย15นาทีนะนะมากกว่านั้นถือว่ากําไรแต่ยังต่ำขอสิบห้นาทีพอแล้วที่หนูทํามานี้มันมีผิดหรือว่าหรือว่าถูกต้องแล้วใช่ไหมสังเกตความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้ไหมได้ค่ะเห็นอะไรบ้างก็อะไรเปลี่ยนบ้างความทุกข์มันน้อยลงแล้วใจเราประคองให้นิ่งไหม คิดว่ายัางไม่ค่อยนิ่งใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าขณะนี้ประคองอยู่หรือเปล่าใช่ค่นะนี่ให้รู้ทันนะจิตใจที่ดีที่ใช้เจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่จิตที่เราไปแทรกแซงเขาไปบังคับเขาให้นิ่งอย่างเงี้ยไม่ดีนะเขาเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอันนั้นดีที่สุดแต่ทุกวันมีวินัยทาในรูปแบบเราจะได้กำลังนะเท่านี้นะเดี๋ยวหลวงพ่อมีธุระวันนี้วันพระต้องฟังปฏิโมก อย่าลืมนะวันนี้วันสำคัญนะยกให้พระพุทธเจ้านะอย่าเอาแต่ไปเที่ยวล่ะไปภาวนาเอาให้ได้นะสักวันหนึ่งก็ยังดีรู้สึกตัวไปเรื่อยจนกระทั่งนอนหลับเลยแต่ไม่ใช่รู้สึกแป๊บหนึ่งแล้วไปแอบหลับนะแล้วบอกหมดภาละ <laughs> <laughs> สอนโยบนะเจ้าเล่เยอะ